ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องเอาเปรียบอากตันยูชวะสกุณชาดกโดยสมณทราบซึงสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่12ตุลาคม2546ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ เดี๋ยววันนี้เราก็ลองมาฟังชาดกเบาๆสักเรื่องหนึง่งตัวชาด ก, กับเบาอะนะแต่อยู่ที่อาตมาจะพูดเบาหรือเปล่า <c oughs> จริงๆบางทีเรื่องของชาดกเนี่ยมันก็เป็นเรื่องง่ายๆนะสบายๆเพราะว่าบางครั้งบางคนพูดอะไรเอาเนื้อ พูดอะไรตรงๆเสมอๆมันหนักเหมือนกันเนี่ยบางทีพระพุทธเจ้าท่านก็เลยใช้เนี่ยเป็นเรื่องเป็นประวัติเป็นการอะไรอ่ะกล่าวถึงอดีตอย่างนั้นอย่างนี้มาเพื่ออธิมาว่ามันเหมือนกับหนังละครทุกวันนี้ที่เอามาใช้ทำให้มันมันผ่อนคลายบ้างเสร็จแล้วก็มีเนื้อหาในนั้น แต่ตอนนี้ก็อยู่ที่รสนิยมละถ้าถ้าโดยส่วนตัวอาตมาเนี่ยนะจริงๆอาตมาไม่ค่อยชอบนะถ้าถ้าถ้าให้อ่านชาดกอยู่ดีก็ให้มาอ่านชาดกเนี่ยไม่ชอบอะเพราะว่ามีความรู้สึกเหมือนอย่างกับว่ามันเด็กๆอะ <c oughs> ขนาดอาตมาเองนะยังรู้สึกอย่างนั้นเลยนี่มันจนนํานวน ไอ้ที่ที่แม่ไปไปมาทํามาทมาั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยมันจานวนมันเป็นภาระมัง่งเป็นหน้าที่มัง่งเขียนมาเขียนมาจนกระทั่งคนอื่นก็ให้เขียนอยู่เรื่อยเลยก็นี้เขียนเรื่องเกี่ยวกับชาติก็เลยต้องทํามาทํามาจนป่านนี้นี่เขียนไปเป็นเป็ น, ปนรอยกับเรื่องแเดแลมั่งถ้คิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าไม่ได้ไปนับ แต่คิดว่าน่าจะถึงน้าร้อยกว่เรื่องชาดกจริงๆที่มีมาเนี่ยมีทั้งหมดห้าร้อยห้าสิบเรื่องแต่ที่อามารย์มามาเขียนส่วนใหญ่ก็คัดมาพอสมควรเพราะว่าทําไมคัดมาเนี่บางทีโอ้ know, ไอโนนไอนี่คือลิเกเกินไปก็ <c oughs> เลยไม่เอาคือมันบางทีจะกเขียนเป็นเรื่องไอโนนเรื่องไอนี่อะไรซึ่งอาจามาคิดว่า พระพุทธเจ้าไม่ตัดนะแบบเนี้ <c oughs> นั้นก็เลยบางทีบางเรื่องก็ไม่อยากเอามาแต่ตางหลังๆนี่พอเขียนไปเขียนไปแล้วก็รู้สึกว่าเออก็เข้าใจมากขึ้นเหมือนกับดูหนังดูทีวีเนี่ยสมัยก่อนมาติดติดสักพาคหนึ่งเสร็จตอหลังพอมาปฏิบัติธรรมเลิกเลิกทิ้งหมดเลยไม่ดูหนงหนังอะไรเลิกหมด วันไม่ดูอยู่นานทีเดียว อ, อยู่บ้านเนี่ยไม่ดูตั้งอัตมาว่าเป็นปีๆเป็นปีๆหลายปีเลยเพราะว่าปฏิบัติธรรมจริงๆเนี่ยเริ่มปีสองหนึ่งเริ่มกินมังสวิรัตเริ่มเลิกอบายมุกแล้วก็มากินมื้อเดียวอยู่บ้านนะเสร็จแล้วก็ทำงานทำการอะไรไปเนี่ยแล้วก็ค่อยๆค่อยๆเลิกละไอเรื่อง หนังทีวีแม้แต่หนังโรงต่างๆอะไรเลิกเลิกจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเออเราไม่ติดแล้วมั่ง <c oughs> คือคิดว่าอย่างนั้นนะเสร็จแล้วพอมาอยู่วัดตอนแรกๆเขายังไม่มีหรอกมาอยู่วัดใหม่ๆอยู่ได้สักพักหนึ่งอา้าวพอท่านเอาหนังมาฉายให้ดูอีกยังจําได้เลยวางใจไม่ได้วางใจไม่ได้ ใ, ไไดใหม่ๆมีความรู้สึกว่าแมมเราอุตส่าห์เลิกมาแล้วนะ ดูหนังดูละครบางพอท่า น, นเอามาฉายใหม่ๆเนี่ยพวกเรื่องโอ oh, ชินเรื่องอะไรมันมาไม่ได้ดูอะ่ะไม่ยอมดูเพราะทำใจไม่ได้ทำใจไม่ได้เลยไม่ได้ดูเลยเชิงเชิงหลกๆหลายเรื่องจนหลังอ่ะค่อยๆทำใจได้ทีนิดทีหน่อยจนกระทั่งอ้า e ดูก็ดูดูไปดูมาเลยมานั่งภาคัะเองเลยเขานี้ เออมันเป็นบิบากหรือมันเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะเพราะว่าเราไปอยู่ในวงการถือว่าวงการบันเทิงเนี่ยแหละเกี่ยวกับหนังเกี่ยวกับอะไรพวกนี้มามากไปไปหลอกเขาอ่ะไปหลอกให้เขาดูหนังพวกเนี้มาม า, มากนะจนทําให้คนอื่นเขาก็ติดเขาก็สนุกเขาก็ชอบมันก็เลยคงไปบิบากกรรมที่ต้องมาชดใช้ทุกวันนี้เลยก็ยุ่งอยู่กับเอบีดีโอยุ่งอยู่กับอะไรพวกเนี้ย แต่ว่ามันมันเข้าใจลึกเข้าใจซึ้งขึ้นนะคือจะมองเห็นโทษภัยเห็นความไม่ดีเห็นความเลวร้ายที่คนเราเนี่ยติดหนังละครเห็นพวกแง่มุมพวกนี้เยอะเพราะเราเราเคยดูเราเคยติดมาเยอะแล้วมากแต่ก่อนนี้โอ้ยวันไหนไม่ดูเป็นอะไรอะ่ะปวดหัวตัวร้อนต้องดูทุกวัน ต้องดูทุกวันดูอะไรอ่ะดูเป็นอะไรกับข้าวอ่ะดูเป็นอาหารที่เหมือนกับต้องกินทุกวันไม่ดูไม่ได้ไอ้พวกหนังโรงอะไรพวกเนี้ยอย่างน้อยต้องไปดูอาทิตย์หนึ่งนะอย่างน้อยนะหนึ่งเรื่องอย่างน้อยโอ้เพราะฉะนั้นดูเยอะดูมากมันจึงเห็นพวกโทษภัยประโยชน์ก็เห็นอยู่ แต่มีความรู้สึกว่าเห็นน้อยคือพอมาปฏิบัติรร้วเนี่ยเข้าใจเลยว่าโอ้โหหนังที่มันแย่ๆหนังที่มันทำให้คนดูแล้วไปอกุศลเนี่ยจะเป็นเรื่องราคะโทสะหรือว่าโมหะก็แล้วแต่มันเยอะกว่าเพราะนั้นหนังที่จะทำให้คนดีเนี่ยซูตร้อยเรื่องโธ่เอ้ยหาดีๆสักสิบเรื่องได้ก บ, บุญและ นี่สิบเรื่องนี่อาตามาว่ายังคัดค้านนี่มันพอหยวนหยวนนะสิบเรื่องนี่แต่ถ้าจะเอาธรรมะแท้ๆเลยโอ้โหไม่มีแบคนสร้างหาหาไม่ค่อยได้นะส่วนมากก็มันเป็นสารคดีเป็นอะไรไปเลยไม่ใช่หนังนาะี่พูดให้ฟังให้เห็นถึงว่าเออคนเราบางทีเคยติดอะไรมาเนี่ยเลิกได้แต่พอติดมาแล้วใช่ไมมีโอกาสกลับไปติดใหม่ก็ได้นะ เหมือนเหมือนคนติดยาเสพติดอะ่ะแตนี้มันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยมีวิปัสสนาหรือว่าเรามีเจโตนี่มากพอไหมที่ทําให้สิ่งที่เราติดเนะี่ยเราสามารถเลิกได้เด็ดขาดไหม อ, นนอันนี้อันนี้อยู่ที่เจ้าตัวแต่ละคนแล้วนะถ้าใครหลอกตัวเองคนนั้นก็คือหลอกถ้าใครมีจริงก็คือจริงนันะนี่อารมณบผ นะไตเติ้ไตเไแปลว่าตัวอย่างทุกวันนี้พยายามจะพูดภาษาถ้าเป็นทับศัพท์ภาษาอังกฤษเขาแล้วต้องแปลเป็นไทยด้วยเพื่อสร้างค่านิยมให้เป็นชาติยมให้เพิ่มขึ้นไม่อย่างนั้นแล้วสังเกตไหมล่ะให้ให้พวกเราสังเกตนะจะเป็นพวกเราเองก็ตามหรือจะเป็นที่ทั่วๆวไปก็ตาม เราจะเห็นได้เลยว่าเดี๋ยวนี้คนไทยพูดาภาษาฝรั่งปนปาภาษาไทยมากเหลือเกินมันถ้าเราเนี่ยไม่พยายามสร้างค่านิยมสร้างวัฒนธรรมขึ้นมาบ้างแล้วอีกน้อยโดนกลืนหมดละเรื่องภาษากลายเป็นภาษาที่อะไรอะของเอาของคนอื่นเข้ามาปนเปเนี่ยจนมากเกินไปจนไม่รู้แล้วว่าไทยนี่จะเหลือ ความเป็นไทยสักเท่าไหร่ด้านภาษานะในอโศกเนี่ยก็รู้สึกเรื่องพวกนี้เพิ่มมากขึ้นทั้งๆ ท, ที่จริงๆแล้วเราก็พยายามนะรักษาวัฒนธรรมไทยภาษาหรือว่าอะไรต่างๆบางทีพ่อท่านเองก็พยายามเรื่องพวกนี้อยู่แต่หลังนี้บางทีเราก็ไม่ค่อยได้มาพูดถึงกันมันก็เลยอะไรอะ่ะมันก็เลยเพิ่มมากขึ้นะ่ะไอ้พวก ภาษาฝรั่งภาษาต่างประเทศภาษาอะไรพวกนี้เอาเข้ามาปนมากขึ้นอ่ะอันนี้ก็แวะมาอีกอะ่ะเอาวันนี้เนี่ยจะเอาชาดกมาให้ฟังสักเรื่องหนึง่งชื่อว่าเอาเปรียบอั ก, กตันยูการเอาเปรียบเนี่ยเป็นการอั ก, กตันยูชื่อชาดกเขาชื่อว่าชวะ สกุลชาดกพระศาสดาเมื่อประทับอยู่หน้าภาพเวรุวันวิหารซึ่งเป็นสวนป่าไผ่คือเวรุวันวิหารเนี่ยเ ป, เป็นชื่อที่เขาเรียกจริงๆแล้วก็คือไผ่นะั่นเองต้นไผ่นะแต่เป็ น, เ, ปนเวรุวรณารามหรือเป็นเวรุวันเนี่ยหมายถึงว่าเป็นสวนไผ่หรือว่าเป็นป่าไผ่ เป็นสวนป่าไผ่ไม่ไกลจากนครราชคฤหของแควนมคดเป็นสถานที่รื่นรมสงบเงียบเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาที่พระเจ้าพิมพิสารถวายเป็นสังคารามคำว่าสังคารามก็คืออารามของสงฆนะ์ก็เรียกว่าสังคารามมีอยู่วันหนึ่งพระศาสดาทรงเอ่ยถึงความช่อชร์เอารัดเอาเปรียบ ความเป็นคนไม่รู้บุญคุณที่ผู้อื่นกระทำให้แก่ตนโดยตรัสถึงพระเทวทัตว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมิใช่บัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนพระเทวทัตก็เป็นคนเคยอกตันยูมาแล้วจากนั้นก็ตรัสเล่าเรื่องราวนั้นอรณานะขึ้นชาดกแล้วนะในอดีตการณป่าหิ ม, มพานมีนกหัวขวานตัวหนึ่ง ขณะกำลังไต่ยอยู่ตามต้นไม้เที่ยวขนขวายหาเหยื่อโดยใช้ปากที่แข็งแรงเจาะต้นไม้เพื่อหากินมแมลงอยู่นั้นบังเอิญแลเห็นราชสีตัวหนึ่งที่ใต้ต้นไม้ใหญ่กำลังดิ้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดทรมานยิ่งนกหัวขวานจึงบินลงมาจับกิ่งไม้ใกล้ๆพื้นดินแล้วถามว่าสหายท่านเป็นทุกอย่างนี้ เพราะเหตุอะไรกันเล่าราชสีได้ยินดังนั้นก็พยายามส่งเสียงออกมาจากลำคอด้วยความเจ็บปวดอย่างยากลำบากว่าเราล่าเนื้อได้ตัวหนึ่งรีบเคี้ยกินด้วยความอยากและหิวจนกระดูกติดคอจะกลืนก็ไม่ลงจะคลายก็ไม่ออกทำให้ได้รับความเจ็บปวดทรมานนัก คอของเราบวมอยู่นี้ท่านเห็นหรือไม่นกขัวขวานสังเกตดู<ม>ก็เห็นจริงตามนั้นเกิดความสงสารขึ้นมาจึงอาสาช่วยเหลือทันทีสหายเอาอย่างนี้เถิดเราจะช่วยกําจัดกระดูกที่ติดคอของท่านให้แต่เรากลัวว่าขณะที่เราอยู่ในป่าของท่านท่านจะเคี้ยวกินเราเสียเพราะว่า กระดูกเนี่ยหรือหรือก้างกระดูกนี่นะมันติดอยู่ที่คอใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าจะช่วยจัดการให้เนี่ยเป็นยังไงอก็ต้องมุดเข้าไปในปากของราชสีแน่นอนถึงจะช่วยได้วะะันก็เลยกลัวขึ้นมาว่าอ้าวเดี๋ยวเกิดกำลังเข้าไปช่วยอย่างเงี้ยเป็นไงราชสีงาบก็ให้อะเพราะฉะนั้นแล้วเอ๊ไว้ใจยากแฮเพราะฉะนั้นก็เลยต้องถามดูสะก่อน พอถามไปปั๊บนะราชสีก็บอกว่าโธ่อย่า ก, กลัวไปเลยสหายเราไม่กินท่านเด็ดขาดเราเจ็บปวดลําบากอยู่อย่างนี้ท่านจงช่วยให้ชีวิตเป็นสุขแก่เราด้วยเถิดและจริงๆรเนี่ยโหถ้าเจ็บปวดทรมานอยู่มีเลอะใครจะไปทําร้ายคนอื่นใช่ไหมยังไงก็ต้องอะไรก่อนนะมันต้องรอให้เอากระถูกออกมาก่อนใช่ไหมถ้าจะเล่นงานกันก็ต้องทีหลังแหละ คื อ, คอถ้าจะเลวร้ายยังไงนะก็เลยบอกไปว่าเอาเหอะช่วยเหอะช่วยช่วยชีวิตของฉันด้วยพูด ง, ง่ายๆนะราชสีก็บอกว่า น, นกหัวขวานก็เลยบอกว่าดีละถ้าอย่างนั้นเราจะช่วยท่านแล้วก็ให้ราชสีนอนตะแคงอ้าปากให้กว้างที่สุดเอาไว้นกหัวขวานจึงหาท่อนไม้มาค้ำปากเนี <c oughs> <c oughs> ่ยเพื่อความปลอดภยัย เอามาคํำปากทั้งด้านบนและก็ล่างทำให้ราชสีไม่สามารถจะหุบปากได้คือพอค้ำไว้ก็เรียบร้อยใช่ไหยรวมไปทั้งเราก็คงไอไม่ใช่เล้าอะนกหัวขวานนะนะก็คงจะวางใจได้ขนาดนึงอพอพอค้าเสร็จเรียบร้อยขนาดกำลังโดดเข้าไปในปากนั้นก็อดคิดไม่ได้คือนกหัวขวานนะนะ นี่ขนาดค้ำปากราชสีแล้วนะคิดว่าใครจะไปรู้ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแกเราอันนี้นกหัวขวานคิดเพราะพอกระโดดเข้าไปในปากราชสีเนี่ยตั้งใจจะช่วยแล้วนะแต่ยังไม่วายพูดง่ายว่าหวาดเสียวแยังไม่วายหวาดเสียวว่าเอออะไรจะเกิดขึ้นหรือเปล่านาะเมื่อเข้าไปในปากของราชสีแล้วก็เห็นกระดูที่ติดขวางคออยู่ จึงใช้จะ ง, งอยปากคือจะ ง, งอยปากของนกหัวขวานเนี่ยเราคงพอจะรู้อยู่เมึ่ง้นกหัวขวานนี่ได้ชื่อว่าอะไรได้ชื่อว่าเป็นนกที่นกแม่ได้ชื่อว่านกที่ปากแข็งที่สุดเออก็ถูกกันนะเออปากมันต้องแข็งแน่เพราะว่ามันยังไงโอ้โหมันต้องใช้ อ, อปากมันเนี่ยกระแทกเลยล่ะไม่ไม่ใช่เจาะธรรมดาเนีัยก็แทกใส่ ต้นไม้เนี่ยก็แทกจนกว่าจะเป็นรูเข้าไปเลยนะเนี่ยมันล่าพวกนอนพวกแมลงพวกอะไรโอ้ใช้วิธีแล้วมาเคยดูหนังสารคดีเขาทาประวัติของนกหัวขวานโอ้เขาทําดีมากเลยนะเขาวิเคราะห์เขาถ่ายมาถ่ายจนกระทั่งถ่ายเขาไปในรังของมันเลยนะโอ้การถ่ายเทคนิคยอดเยี่ยมมากโอ้แล้วมันก็แทกแต่ละครั้งเนี่ยเขาถ่ายสโลให้ดูนะอออื มันมันไอเนี่ยมันง้างหัวมันง้างหัวมันเนี่ยแล้วก็กระแทกนี่สั่นเลยนะเวลาก็กระแทกปากมันเอชนในต้นต้นไม้ที่ที่มันเจาะอยู่เนี่ยโอ้โหเรียกว่าสั่นทั้งตัวเลยนะเขาบอกเนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นนกอื่นธรรมดานะถ้ากระแทกอย่างเงี้ยรับรองเลยบางทีอาจจะถึงตายได้เลยนะเพราะว่าโอ้โหกระแทกไม่เบาเลยกระแทกแรงมากไม่งั้นมันจะเจาะต้นไม้เข้าไปได้ย่งเนี่ย แล้วปากก็ต้องแข็งแกร่งมากเลยด้วยเัน mm hmm. จริงๆแล้วมันเหมือนไอ้ไอ้เขาเรียกอะไรแยกอ่ะไอ้ไอ้ที่เขาเจาะพื้นอะ mm hmm. อัตมาจับได้แต่เขาเรียกว่าแยกแยกกันนะไอ้เจาะพื้นปูนซีเมนเลยอะ mm hmm. ไอ้ที่เขาโอโ้โหเสียงดังลั่นเลยอะแต่จริงๆโอโ้หัวสัน่นหัวคลอนเลยนะยังนึกอยู่ในใจนะโอโ้ถ้าเราหัวไปโขกอะไรนี่นะนึกอยู่ใจ เราคงจะหัวนี่คงจะมึนไปหมดเลยเ อ, อแต่ว่านกหัวขวานนี่มันก็แทก<ๆ>กระแทกกระแทกโอ้โหอาตอมาว่าเอ๊ะไม่รู้สมองมันเป็นยังไงของมันนะมันมันมันมีความพิเศษของมันทําให้มันไม่เป็นอะไรเอาละตอนนี้นกหัวขวานก็เลยใช้จะงอยปากเนี่ยเคาะลงไปที่กระดูกนะกระแทกอะพูดยังไงกระแทกลงไปที่ที่ปลายกระดูก ไม่ใช่กระแทกไปที่กลางกระดูกนะสมมติว่ากระดูกมันติดแล้วมันขวางคออยู่ใช่ไหมอย่างเงี้ยถ้าคุณกระแทกไปที่กลางกระดูกไปไงโอ้ยเจ้าสิงโตคงร้องรั่นแน่ใช่ไหมเพราะนั้นนกหัวขวานนี่ก็ฉลาดรู้ว่าจะช่วยยังไงเพราะนั้นกระแทกไปที่ปลายปลายของโคนกระดูกที่ติดอยู่ข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยกระแทกไปข้างหนึ่งทาให้กระดูกหลุด เลื่อนตกลงไปได้ก็ตกลงไปในแหละในลำคอก็แค่นี้ก็สบายแล้วใช่ไหมก็ปลอดภัยแล้วเสร็จแล้วก็รีบออกจากปากก็รีบออกจากปากราชสีทันทีทำไมต้องรีบออกมาม <laughs> นั่นนะที่นะ่าไว้ใจไม่ได้เราต้องรีบออกมา ก, ก่อนพอพอพอออกมาจากปากราชสีแล้วเนี่ยก็ใช้จะงอยปากนันแหละ เคาะท่อนไม้ที่คำปากราชสีให้หลุดออกจากนั้นก็บินไปเกาะ อ, อยู่ที่กิ่งไม้ตามเดิมส่วนราชสีก็หายทุกทรมานเป็นปลิดทิง้งสามารถจับเหยื่อกินได้ดังปกติของตนก็หายเพราะมันไม่มีอะไรอ่ะใครเคยก้างติดคอบ้างก็บ้าล่ะเออแก้ยังไงอ๋ออันนั้นกินข้าวเปล่าใครมีวิธีอื่นอีกฮะ ใครมีวิธีอื่นไหมนนบ้านนอกบานนอก้นนบานนอกเขาใช้สูตร อ, <า>อะไรใช่เไรนะใช้เท้ า, นทาเนี่ยเหรออ๋อมันเขี่ยที่คอเ น, นี่ยเหรอเขี่ยที่คั้คอข้างนอกเ น, นี่ยนะไม่ใช่เอาเข้าไปในปากนะออเขี่ยที่ลำคอข้างนอกอืมแล้วหายจริงเหรอเอออันนั้นนันมาไม่เคยอะ่ะ มันมาเคยแต่นั้นก็ให้กึญนั่นกึญ น, น, นี่ก็ โ, โหพยายามบางทีมันเมื่อไม่หลุดลงไปไง่ายๆนะโอ้บางทีคืญกึมันกืนมันมันก็เจ็บนะเพราะมันมันก็ตําคอเราอะ่ะโอ้บางทีก็ทรมานจริงๆด้วยถ้าก้างมันติดคอที่พูดนี่คือสมัยยังกินเนื้อสัตว์อยู่นะ น, นี่แหละเพราะฉะนั้นใครเลิกกินเนื้อสัตว์ได้เนี่ยกินมังสวิรัตได้สบายไม่มีก้างติดคอหรอกนอกจากใครกินอะไรไม่ระวังเอา ไม้เข็มกัดเข้าไปด้วยอ่ะ <laughs> <laughs> บางทีอ่กินในพวกที่เขากัดใบตองมาอะไรพวกเนี้ยนะรีบตะลีตะเหลือกรีบกินนักอะระวัง อ, อ, อ, อาจจะไปติดคอก็ได้มันต้องระวังเหมือนกัน <laughs> วันเนี้ยอจะมาฉันอาหารอยู่ยังยังเอ๊เขียวแล้วมันเอ๊เขียวอาหารแล้วมันเอ๊มันแข็งแข็งยังไงชอบคนยังนึกอยู่เอ๊เขียวไอ้นั่นเข้าไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ไอ้ไอ้แม็กอะไอ้ตัวแม็กอะ เพราะว่าเดี๋ยวนี้นี่แม่มันระวังยากจังเลยไอตัวแม็กเนี่ยมันแม็กไอโนนแม็กไอ น, น, ไอ น, นีแม็กไปหมดเลยใบตองยังแม็กเลยอย่างเงี้ยแต่ก่อนใบตองก็ใช้เข็มกัดใช่ไหมแต่คราวนี้ใบตองกับแม็กแม็กแม็กไอคือไนี่เขาเรียกอะไรอะ่ะ mm hmm. ไม่ใช่ไอภาษาอังกฤษมันเรียกว่าแม็กเนี่ยภาษาไทยมันเรียกว่าอะไรอะ่ะที่หนีกระดาษอย่างเงี้ยหรือเปล่า mm hmm. อ่นั่นแหละนะนต่นี็เขาหนีไปหมดเลยอะ่ะอะไรอะไรก็ มันสะดวกใช่ไหมก็เลยใช้ที่นี่ไปหมดลแล้วแล้วมันไม่เหนียวด้วยนะเดี๋ยวเนี้ยคือแต่ก่อนเนี่ยมันเหนียวไม่หักง่ายทําไมอาตมารู้เพราะว่าถ้าอาตมาจะทิ้งไอ้พวกตัวตัวที่หนีกระดาษพวกเนี้ไอ้ตัวแม็กพวกเนี้ยอาตมาจะต้องพับก่อนเพราะถ้าไม่พับก่อนคือเคยโดนตำเท้ามาแหละวันเลยรู้เลยบอกโอ้โหถ้าทิ้งไปทั้งอย่างนี้คนอาจจะโดนตำเท้าได้จริงมันไม่ถึงตายอะไรหรอกแต่มันเจ็บเหมือนกันอนะ มันทุกครั้งถ้าเกิดจําเป็นจะต้องทิ้งไอตัวหนีบกระดาษนี่ต้องพับมันซะและที่รู้ว่าเดี๋ยวเนี้มันค่อนข้างกรอบแข็งมันไม่เหนียวเหมือนแต่ก่อนเพราะเดี๋ยวนี้บางทีพอพับเข้าไปมันหักเลยไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนพอพับปั๊บมันมันก็พับไปง่ายๆมันมันไม่ไม่หกักเพราะะฉนั้นตัวแม็กตัวเย็บเดี๋ยวเนี้ยโอ้ไม่ค่อยดีหรอกคุณภาพไม่ค่อยดี หรือว่าเขาต้องการให้มันอะไรนะแข็งเพื่อที่จะเย็บแล้วคมอ่ะแล้วติดอะไรง่ายๆก็ได้นะแต่มันมันมันกรอบเกินไปทําให้พอเย็บไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครแกะหรือใครอะไรออกมาเนี่ยหักได้ง่ายเพราะหักปั๊บนี่เขาเนี่ยตําได้ง่ายแหละตําเท้าตํา ม, มืออะไรก็ได้ตอนนี้พอราชสีใช่ไหมพอพอไอกระดูกที่ติดคอออกไปเรียบร้อยก็สบายแล้วกรนี้ วันหนึ่งราชสีออกล่ากระบือตัวโตมาได้กระบือคืออะไรไ<ป>ควายออาันนี้ราชสีนี่กไปล่านะควายป่ามาได้ตัวหนึ่งตัวโตด้วยขณะกําลังกัดกินเหยื่ออยู่อย่างมีความสุขนั้นก็ปรากฏนกขัวขวานตัวนั้นมาเกาะกิ่งไม้มองดูราชสีอยู่พร้อมกับเกิดความคิดว่าเราจะรองใจราชสีนี่ดู เมื่อได้อาหารมามากขนาดนี้จะมีใจต่อเราอย่างไรบ้างเอา้านกหัวขวานที่เคยช่วยไว้เนี่ยใช่ไหมท่านดูสิจะลองใจราชสีเนี่ยโอ้โหล่าควายป่าได้ตัวบรลมเลยจึงบินเข้าไปจับกิ่งไม้ใกล้กลกลตัวราชสีแล้วก็ลองถามเพื่อวัดใจราชสีดูสหายผู้เป็นเจ้าป่าขอนอบน้อมแด่ท่านท่านจำเราได้หรือไม่ เราเคยได้ทํากิจอย่างหนึ่งให้แก่ท่านตามกําลังที่เรามีอยู่บัดนี้เราได้อะไระบัดนี้เราจะได้อะไรตอบแทนจากท่านบางเล่าถ้าพูดไปตอนนี้เหมือนกับทวงบุญคุณนะ <c oughs> แต่เป็นการวัดใจราชสีราชสีย่อมจํานกหัวขวานนั้นได้ดีแต่เพราะความโลภเห็นแก่ตัวจึงกล่าวอย่างช่อฉนเอาเปรียบว่าจําได้สิเจ้ามุบ เจ้ามุดเข้ามาในปากของเราช่วยทําให้กระดูกที่ติดคอเราเนี่ยหลุดลงไปได้แต่ตอนนี้แต่ตอนที่เจ้าอยู่ระหว่างคมเขี้ยวของเรานั้นซึ่งเป็นผู้กินเลือดเนื้อเป็นอาหารเป็นผู้หยาบช้าฆ่าสัตว์อื่นอยู่เป็นประจำฉะนั้นการที่เจ้ามีชีวิตรอดออกจากปากเราได้ก็นับว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณของเจ้ามากแล้ว โอ้โหมีเหตุผลพูดถูกไหมเนี่ยพูดถูกเหมือนกันนะเพราะจริงๆเนี่ยไอ้ไม้ที่ค้ำปากไว้อะถ้าราชสีจะเอาออกคุณว่ายากไหมฮะไม่ยากหรอก น, นะจะใช้ลิ้นหรือจะใช้อะไรดันอะไรก็ได้ใช่ไห ม, มก็หลุดได้นะราชสีเลยเอาเหตุผลนี่มาอ้างบอกว่าใช่จเจ้าช่วยเราอ่ะถูกต้องแต่เราตอบแทนบุคลิศ บุญคุณเรียบร้อยแล้วเพราะเราไม่งาบเจ้านะเพราะฉะนั้นนี่นี่ตอบแทนบุญกุลกันแล้วนี่นี่เป็นการช่อชนเป็นการโกงพูดง่ายหรือถ้าเราพูดอีกอย่างคือเป็นอะไรละถ้าเป็นคนนี่ถือว่าเป็นยังไงละเออเป็นคนเนรคุณหรือเป็นคนอักตันยูเนรคุณแปลว่าอะไรไม่รู้คุณอะไร อ่ไม่รู้คุณของผู้มีพระคุณหรืออักตันยูก็แปลเหมือนกันคือไม่รู้คุณของผู้ที่มีคุณกับเรานวันพอตอบอย่างนี้ไปเสร็จนกหัวขวานได้ฟังอย่างนั้นก็รู้ถึงนิสัยเลวร้ายของราชสีทันทีจึงกล่าวเตือนสติว่าเตือนสติราชสีนะนะวันหน้าตีเตียนนักผู้ที่ไม่รู้บุญคุณที่ผู้อื่นกระทาให้แล้วฉะนั้น ผู้ที่ไม่ทําคุณให้แก่ใครและผู้ที่ไม่ตอบแทนคุณให้แก่ผู้มีบุญคุณผู้นั้นย่อมไม่มีความกตันยูการครบคนอักกตันยูนั้นย่อมไร้ประโยชน์ดังนั้นหากไม่ได้มิตรที่ดีจากการช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้ใดบัณฑิตไม่ต้องชิงชังไม่ต้องด่าว่าผู้นั้นพึงค่อยๆหลีกออกห่างจากผู้นั้นไปเสีย อันนี้เป็นนกหัวขวานพูดเองนะจะว่าบอกว่าเตือนราชสีก็ได้จะว่าเตือนตัวเองก็ได้นันะก็บอกว่าคนเนระคุณเนี่ยไม่ควรครบอยู่แล้วนะแต่ไม่ต้องไปทำร้ายไม่ต้องไปเบียดเบียนอะไรคนเนระคุณหรอกนะเพียงแต่ว่าเนี่ยี่ยไม่ต้องไปชิงชังไม่ต้องไปด่าว่านะค่อยๆหลีกออกมาห่างออกมาจากคนนั้นคือเลิกคบ เลิกคบหาเพราะถือว่าเป็นคนเลวเพราะฉันพุทธศาสนาเนี่ก็สอนไว้แล้วว่าเราไม่คบคนชั่วเป็นมิตรมันน้องขัวขวานก็ใช้วิธีการนี้เหมือนกันไม่ต้องไปเกลียดชังเขาไม่ต้องไปแครนเขาโอ้เราทําบุญคุณให้แล้วนี่ไม่ตอบแทนบุญคุณเราเลยนะแล้วยังจะมาพูดอย่างนี้อีกนะไม่ต้องไปเกลียดเขาเลยแต่ให้เรารู้ก็แล้วกันว่าโอ้คนนี้ไว้ใจไม่ได้เชื่อถือไม่ได้ แล้วก็ห่างคนนั้นออกมาสิ้นคํากล่าวนั้นนกหัวขวานก็บินจากไปพระศ า, ศาสดาทรงนมชาดกนี้มาแสดงแล้วก็ตรัสว่าราชสีในครั้งนั้นได้มาเป็นพระเทวทัตในบัดนี้ส่วนนกหัวขวานได้มาเป็นเราจะถาคตเ <c oughs> พราะเรื่องออชาดกเรื่องนี้ จริงๆเราจะเน้นอยู่ในเรื่องของการรู้บุญคุณหรือการกตันญูคาว่ากตันยูเนี่ยแปลว่าการรู้บุญคุณของผู้ที่กระทําคุณให้กับเรา น, นกะกตันยูเนี่ยแปลว่ารู้คุณส่วนกัตะเวทิตาหรือกะตะเวทีคือการตอบแทนห้นเยอะแยะเลยในโลกนี้ ที่คนที่มีบุญคุณกับเราช่วยเหลือเราไอ้นู่บ้างไอ้นี่บ้างแม้ว่าบางทีจะเล็กน้อยก็ได้จะไม่ไม่มากมายอะไรก็ได้เหมือนภาษาลีบุตรจำได้ว่ า, ามีพราหมณ์คนหนึ่งเคยใส่บาตรให้ท่านได้ฉันอาหารจำได้พอดีพราหมณ์คนนั้นเนะี่ก็ผู้เจ้าท่านก็ให้บวชแต่ยังไม่มีใครมาเป็นผู้ที่จะมาช่วยเป็น อุปชาอาจารย์อะไรให้นะภาษารีบุตรก็เลยรับอาสาเพราะบอกว่าระลึกได้ว่าพรามคนนี้เคยใส่ข้าวมาให้หนึ่งทพีดูดูความทรงจำของภาษารีบุตรคนเราเนี่ยถ้าคนที่มีกิเลสเนี่ยนะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยจำหรอกใครมาทำบุญคุณกับเราคนคนเร็วๆอะ่ะไม่ค่อยจำไม่อยากจะจำด้วยเพราะอะไร เพราะถ้าจำได้เปไงเออถ้าโดยปกติเนี่ยเรารู้อยู่แล้วเขามาทำดีกับเราเขามาช่วยเหลือเราเราควรต้องตอบแทนอันนี้เป็นสามัญสำนึกธรรมดาเลยของคนที่เป็นคนดีเพราะฉะนั้นคนเลวเนี่ยบางทีอาจจะจำได้นะแต่แกล้งจำไม่ได้ก็ได้อืมควรระวังนะที่อาจมาพูดประเด็นนี้ยยกตัวอย่างภาษารีบุตรขึ้นมา เพื่อที่ให้พวกเราเห็นว่าโอ้โ oh ห oh, ภาษาิรุตบุตรศาสจำได้แฮะว่าผู้นั้นผู้นี้เนี่ยเคยสายบาตรให้แม้เพียงแค่หนึ่งทัพพี